มักขะสนิมในใจหมายเลขห้าคำว่ามักขะชาวบ้านเราไม่ค่อยได้พูดกันนักเห็นจะเป็นที่พระไม่ค่อยใช้เทศและเรามีคำที่ถนัดปากซึ่งใช้แทนกันได้อยู่แล้วคำหนึ่งคือคำว่าเนรคุณใช้บ่นว่าใครมันค่อยถึงใจหน่อยแต่คำว่าเนรคุนกับคำว่ามักะ่ะน้ำหนักและความหมายก็เท่ากัน หมายถึงความอุบาทของคนทั้งสองคำเราว่าคุณเสียก่อนแล้วค่อยว่าเรื่องลบหรือลูคุณทีหลังความจะได้กระจ่างข้าพเจ้าเขียนไว้ในที่อื่นแล้วว่าคำว่าคุณคุณนี้มีความหมายสองอย่างเช่นอย่างคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงค์ก็หมายถึงความดีของพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์นี่อย่างหนึ่งคุณที่หมายถึงความดีในตัวผู้นั้นและสิ่งนั้นอย่างนี้เรียกว่าคุณสมบัติคือคุณที่เป็นสมบัติของผู้นั้นสิ่งนั้นบางทีก็เรียกว่าคุณความดีซึ่งหมายความตรงๆว่าคุณคือความดีคำว่าคุณอีกอย่างหนึ่งหมายถึงประโยชน์ คือความสามารถหลังผลออกมาให้เราได้เช่นยาที่สามารถช่วยชีวิตเราได้หรือคนที่ช่วยเหลือเราได้คุณอย่างนี้บางทีเราเรียกว่าคุณประโยชน์ความหมายชัดอยู่ในตัวแล้วรวมความว่าคำว่าคุณหมายความได้สองอย่างคือ 1. คุณสมบัติ 2. คุณประโยชน์ คำว่ามักขะที่แปลว่าลบหลู่คุณท่านนั้นหมายถึงลบหลู่คุณในลําดับสองคือคุณประโยชน์เท่านั้นส่วนการลบหลู่คุณสมบัติคือลบล้างความดีของคนอื่นนั่นเป็นเรื่องความริษยาเป็นอุปกิเลสอีกข้อหนึ่งต่างหากคือข้อที่7ซึ่งจะได้อธิบายต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงอุปกิเลสข้อมักขะแล้ว ขอให้นึกถึงเรื่องบุญคุณในระหว่างบุคคลเท่านั้นประโยชน์ที่ฝ่ายหนึ่งทำให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งภาษาไทยเราเรียกว่าคุณหรือบุญคุณแต่ในภาษาบาลีไม่ได้ใช้คำนี้เลยท่านใช้คำว่าอุปการะดูเหมือนจะชี้ทางให้เข้าใจธรรมะได้ดีอุปการะแปลว่าเข้าไปทำหรือกระทำใกล้ชิดคือคำว่าอุปะ แปลว่าเข้าไปก็ได้แปลว่าใกล้ก็ได้ถือเอาความว่าทำให้หมายความว่าทำประโยชน์ให้อีกฝ่ายไม่ใช่ทำเอาหรือทำแลกเปลี่ยนอุปการะนี่แหละเรียกว่าคุณการทำอุปการะหรือทำคุณที่ว่านี้ยกตัวอย่างเช่นการเลี้ยงดูการสั่งสอนการให้ที่พัก การหางานให้และอื่นออีกโปรดคิดดูเองแต่ทั้งนี้ต้องเป็นเรื่องเลยค่าจ้างหรือเกินจากค่าจ้างเช่นคนมีอาชีพเป็นครูสอนหนังสือให้สิทธิถ้าทาแต่เพียงพอค่าจ้างจ้างสอนฉันก็สอนค่าจ้างน้อยฉันก็สอนให้อย่างเสียไม่ได้คือไม่ให้เกินไม่ให้เลยค่าจ้างทำเพียงเท่านี้ ยังไม่จัดว่าเป็นคุณถ้าครูคนใดมีความหวังดีต่อสิทธิ์การกระทาก็ดีเจตนาก็ดีท่วมล้นเงินค่าจ้างนั่นเป็นคุณเรื่องนี้จะพูดต่างหากตอนปลายของอุปกิเลสข้อนี้เพราะเป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันให้เข้าใจจริงๆในชั้นนี้ขอรวมความแค่ว่าคุณเป็นสิ่งมีค่าหาไม่ได้ ค่าและน้ำหนักของคุณวัดกันด้วยความรู้สึกทางจิตใจเท่านั้นคุณเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างคนสองฝ่ายคือฝ่ายทำให้กับฝ่ายรับฝ่ายทำให้เรียกว่าผู้มีคุณหรือผู้มีบุญคุณหรือผู้มีอุปการะคุณถ้าทำให้เรามากมายไม่รู้จักสงังซาเราก็เรียกท่านว่าเจ้าบุญนายคุณ นี่ฝ่ายผู้ทำให้ส่วนฝ่ายผู้รับไม่ค่อยมีคำเรียกไว้เฉพาะถ้าจะพูดก็เห็นใช้คำว่าผู้รับอุปการะและมีอีกคำหนึ่งคือคำว่าเป็นหนี้บุญหนี้คุณใช้สำหรับเวลาเราได้รับอุปการะจากท่านแล้วแต่ยังไม่ได้ตอบแทนจึงยังเป็นหนี้บุญคุณท่านอยู่แต่หนี้อย่างนี้ต้องรองให้ฝ่ายลูกหนี้ใช้เองถ้าเจ้าหนี้เกิดไปทวงเข้า ชาวบ้านเขานินทาได้เหมือนกันและทำให้อีกฝ่ายรู้สึกโมโหนิดๆทีนี้ในระหว่างคนสองฝ่ายนั้นถ้าว่าถึงหน้าที่ฝ่ายทำคุณให้เมื่อทำให้แล้วก็เป็นอันหมดหน้าที่ทางที่จะทำความดีในเรื่องนี้สุดแค่นั้นคือสุดแค่ให้ทำให้แล้วเป็นแล้วกันไม่ต้องทำอะไรอีกบางคนไม่เข้าใจ คิดว่าที่ทำให้เขานั้นยังไม่เสร็จสิ้นเลยไปทำต่อเข้าอีกอย่างคือทวงบุญคุณเขาไม่ตอบแทนบุญคุณตัวก็ไปทวงเขาอย่างนี้เสียอีกฝ่ายจะรู้สึกคลายความเคารพนับถือลงทันทีเพราะรู้ว่าอุปการะที่ได้รับจากเขามานั้นเดิมคิดว่าเป็นคุณแต่ความจริงไม่ใช่พระผู้ทำให้เกิดตั้งราคาไว้ แล้วมาถ่วงคืนถ่วงเข้ามากๆเลยพานจาโมโหปฏิเสธบุญคุณไปเลยคนอะไรล้ำเลิกบุญคุณเสเรื่อยเพราะฉะนั้นฝ่ายทำคุณต้องรู้ว่าหน้าที่ของตนสิ้นสุดลงแค่ทำให้เท่านั้นอีกฝ่ายสิเรื่องมากคือฝ่ายรับคุณยังมีหน้าที่จะต้องทำต่อไปคือหนึ่งรู้คุณท่าน และสองตอบแทนคุณท่านได้ทราบแล้วว่าคุณเป็นสิ่งหาค่าไม่ได้คือไม่มีการตีราคาเพราะฉะนั้นการรู้คุณและการแทนคุณซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายรับจึงหาที่สิ้นสุดไม่ได้ต้องทำต่อไปและต่อไปจนกระทั่งหมดโอกาสที่จะทำตกลงว่าฝ่ายทำกับฝ่ายรับมีทางเสียด้วยกัน คือการทำคุนนั้นสุดแค่ทำให้ไม่ต้องทวงของมันสุดไปคิดว่ามันไม่สุดก็เสียได้ส่วนฝ่ายรับคุณหน้าที่ในการตอบแทนคุณมีที่สุดของมันไม่สุดไปคิดว่ามันสุดรับคุณเขาแล้วเฉยเสียก็เสียคนปัญหาการตอบแทนบุญคุณเห็นจะต้องขยักไว้ก่อนพูดไปเรื่องเจิง เอาไว้ว่าต่างหากดีกว่าเดี๋ยวนี้เราจะวิจารณ์เรื่องของมรคขะอุปากิเลตเครื่องเน่าในโดยตรงเท่านั้นคืนคว้าโน่นคว้านี่มาผสมมากๆเอามากเขาว่าประเดี๋ยวก็หมดรสความประพฤติที่เรียกว่ามรคขะเป็นลักษณะความประพฤติเลวทามของฝ่ายรับคุณที่ทำผิดต่อฝ่ายทาคุณในบรรดาความผิดทางจิตใจที่คนทำต่อผู้มีคุณ มักกะนี้ความผิดสถานเลวที่สุดคืออย่างนี้ขอพูดให้ชัดๆการปฏบิบัติบุญคุณของผู้มีคุณอยู่3ามชั้นด้วยกันทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วคือดีก็ดีได้สามชั้นชั่วก็ชั่วได้สามชั้นดูตามภาพให้ลิงไว้ใต้คลิปที่ลากเส้นไวน้นี้ต้องการชี้ให้ดูว่า มักกะคือการประพฤติลบหลู่คุณของผู้มีคุณเป็นความผิดต่อผู้มีคุณสถานต่ำที่สุดโปรดพิจารณาดูเส้นสามเส้นข้างล่างนั้นอีกครั้งชั้นของคนธรรมดาอย่างต่ำอยู่แค่ว่ารู้คุณผู้มีคุณแต่ละเลยในการตอบแทนคุณคือใจจริงรู้ไม่ใช่ไม่รู้ปากก็ยอมรับว่าเขามีคุณที่เสีย เสียตรงที่ไม่ตอบแทนคุณท่านเท่านั้นคนประเภทนี้ขาดกระตะเวทีมีแต่เพียงกระตันยูพฤติการอย่างนี้เป็นฐานต่ำที่สุดของสามัญชนถ้าใครพลัดจากชั้นนี้ลงไปคือเป็นคนไม่รู้คุณของผู้มีคุณเอาทีเดียวคือที่ว่าไม่รู้ในที่นี้คือไม่ยอมรับรู้ว่าท่านมีคุณแก่ตนคนชั้นไม่รู้คุณคนนี้ ตกไปเป็นคนชั่วแล้วทางโลกก็ว่าชั่วทางธรรมก็ว่าชั่วทีนี้คนทำผิดต่อคนมีคุณยังมีต่ําลงไปอีกชั้นคือชั้นมรขะลบหลูคุณของผู้มีคุณเป็นคนเลวยิ่งกว่าคนชั้นชั่วไม่รู้จักเรียกว่าชั้นอะไรข้าพเจ้าเลยตั้งให้ว่าคนชั่วช้าสารเลวรู้แล้วรู้รอดไปที ถ้าจะวัดกันว่าคนชั้นนี้ต่าแค่ไหนวัดกันไม่ได้แต่พูดให้ท่านคิดเอาเองเพราะจะได้คือในพวกสัตว์ดิรกชานบางพวกยังรู้คุณคนที่เลี้ยงดูมันแม้มันไม่อาจจะตอบแทนได้เพราะสภาพของมันไม่อำนวยแต่มันก็แสดงออกว่ามันได้รู้จักคุณคนไม่ทำลายผู้มีคุณถ้าพิจารณาทางพื้นของจิตแล้ว จิตที่รับรู้คุณของผู้มีคุณแก่ตนสูงกว่าจิตที่คิดลบหลู่คุณผู้มีคุณเป็นไหนๆว่าเท่านี้เชิญคิดดูเองอาการที่คนมีมักขะแสดงออกมาคือการปฏิเสธคุณของผู้มีคุณเช่นมีใครเคยช่วยเหลือให้ได้เล่าเรียนจนได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วกลับคุยโ ว, วว่าผู้นั้นไม่เห็นได้ช่วยอะไร ฉันดีด้วยบุญวาสนะของฉันเองการปฏิเสธบุญคุณนี้อาจปฏิเสธด้วยกิริยาอย่างอื่นก็ได้เช่นมีเรื่องจริงเล่ากันต่อๆมาว่าคนบ้านนอกส่งลูกเข้าเรียนหนังสือในกรุงเทพครั้นลูกเรียนจบแล้วก็เข้าทำราชการจนได้เป็นผู้ใหญ่มีเพื่อนฝูงและลูกน้องมากหน้าหลายตารวมทั้งคุณนายก็เป็นชาวกรุงเทพด้วย ครั้นต่อมาพ่อแม่มาจากบ้านนอกเพื่อจะเยี่ยมเยียนจะมาชมบารมีลูกชายบ้างแต่พอโผล่ขึ้นบ้านลูกชายซึ่งขณะนั้นลูกชายกำลังมีเพื่อนฝูงคุยกันอยู่พอเห็นพ่อแม่เป็นชาวบ้านนอกโผล่ขึ้นไปเลยทำทีเป็นไม่รู้จักทักทายด้วยกิริยาวาจาปราศจากคารวะกิริยาอย่างนี้เป็นการลบหลู่คุณท่านมักขนี้เป็นไปอย่างรุนแรง อาจถึงขั้นทำลายผู้มีพระคุณแก่ตนก็ได้รวมความแล้วก็คือคนเนรคุณนั่นเองบัด น, นี้ท่านผู้อ่านวินิจฉัยลงได้แล้วไม่ใช่หรือว่าอุปกิเลสข้อมักขะนี้เป็นความเรียวร้ายของคนอย่างไรข้าพเจ้าขอเสนอแนวคิดให้เพียงย่อๆว่าบุญคุณที่คนอื่นทำให้แก่เรานั้นโดยปกติแล้วเป็นของที่เห็นได้ไม่ยาก รู้ได้ไม่ลำบากนักเพราะว่าคุณที่เขาทำนั้นเขาทำให้แก่ตัวเราถึงตัวเราถูกตัวเราแล้วเราเองก็ได้รับของที่ใกล้ตัวถึงตัวอย่างนี้ใครยังไม่เห็นไม่รู้ก็แสดงว่าเกิดมีบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาพิการไปถ้าเป็นสิ่งของภายนอกมีคนอื่นมาถึงตัวแล้วยังไม่เห็นคนนั้นก็ตาบอด แต่นี่เป็นเรื่องบุญคุณที่มีคนทำคุณให้ตัวแล้วยังไม่รู้ก็คงจะบอดเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตาบอดเป็นใจบอดคือแสงสว่างในใจดับเสียแล้วคนตาบอดกับคนใจบอดชะตาก็คล้ายๆกันคนตาบอดไม่เห็นสิ่งที่ควรเห็นคนใจบอดก็ไม่รู้สิ่งที่ควรรู้และเป็นความพิการที่ปิดไว้ไม่มิดเหมือนกัน คนตาบอดแล้วแม้จะทำเป็นวางท่าให้เหมือนคนตาดีเท่าไหร่คนต้องรู้ไม่รู้ตอนนั่งพอลุกขึ้นเดินก็รู้รู้จนได้คนใจบอดก็เหมือนกันมีคนรู้จนได้บางทีอยู่นิ่งๆอาจไม่มีใครรู้แต่พอแสดงความคิดความเห็นออกมารอยหลู่คุณคนมันก็แลบออกมาจนได้เหมือนตาบอด ลูกเดินนั่นแหละคนประเภทลบหลู่คุณคนนี้อย่าว่าแต่เพื่อนฝูงเท่านั้นที่จะตั้งรังเกียจเพื่อนฝูงยังเป็นคนอื่นแม้แต่พ่อแม่บังเกิดกล่าวถ้ารู้ว่าลูกตัวเนเราคุณแล้วก็อดที่จะไม่รังเกียจไม่ได้ทั้งเบื่อทั้งหน่ายความน้อยใจเสียใจเราคนด้วยความโกรธความเกลียดจะสมอยู่ในใจแม้ว่าจะเอาความรัก ลูกหากลบแล้วก็ไม่สามารถที่จะชำระใจให้หมดความเกลียดชังได้ดูกันให้ดีแล้วมักขะมิใช่เพียงแต่ทําให้สกรปรกมัวหมองเท่านั้นแต่ถึงขนาดเหม็นเน่าทั้งตัวเลยขบวนเหม็นแล้วไม่มีอะไรเหม็นร้ายแรงเกินซากศพคนตายแต่คิดดูแล้วศพคนตายจะส่งกลิ่นกวนใจเราก็ต่เมื่อเราเข้าไปใกล้ เกือบถึงกันแล้วจึงเหม็นแต่คนชาติชั่วเนี่ยละคุณคนเหม็นร้ายกว่าคนตาอีกหลายร้อยเท่าไม่ต้องพูดถึงว่าเข้าใกล้ชั่วตาเห็นแม้แต่เห็นหน้ารูปถ่ายก็เหม็นได้ยินแต่ชื่อที่ใครเอ่ยถึงก็เหม็นคือมันให้เบื่อหน่ายอ่อนอกอ่อนใจบอกไม่ถูกนี่แหละที่ว่ามักกะเป็นอุปกิเล